ขอเชิญท่าผู้ฟังติดตามรับฟังค่ะ สมพุทธรร์ขอนอบ้อมแต่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยโพรองเองโปร่งนั้นอติตังนานวั ร, รมยะนับปฏิกังเขอนาคตังยัตถตีตัมปะหีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังปัญจุปั น, นังจะโยธรร ม, มัง ตัทะตัทะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุปรูหเยอเชวะกิจจมาตัมปังโกชัญญามรนังสุเวนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสนีนัมจุนาเอวังวิหาริมาตมปีอโหระตังมหันติตัง ตังเวพัทเตเรรัตโตติสันโตอากินคะเตมุอีติบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบัน ไม่งอนแย่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคล น, นั้นพึงเจริญซึ่งธรรมนั้นเนื่งเนืองให้ปลุกโร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียหนวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนี่คือรายการธรรมารับรุณต่างสถานีวิยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีแม่ขายจากทางกรุงเทพมหานครไปรยังเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศ วันนี้อาตมาพระไพบุญอาภิบุญโนจากวัดป่าดานาานอนไหสก์อำเภอหนองหานจางังหวัดอุดรธานีจะได้มาแสดงธรรมเทศนาซึ่งมีพุทธวจนะที่ได้ยกมาในเบื้องต้นไว้ในโอกาสที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยคือในระยะเวลาที่เป็นสงกรานนี้บางท่านที่มีบรหยุดติดต่อกัน หลายหลายวันได้ไปพบปะค่าตากับญติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ต่างๆและในช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลาที่ได้มาผ่อนคลายจากกิจการงานที่เราได้มีในกิจการงานหน้าที่ประจำและในช่วงที่อาจจะได้มีการได้อยู่กับตัวเองบ้างได้มาคอยระลึกนึกถึงสิ่งที่ได้ผ่านผ่านมาในช่วงชีวิตของเรา หรือว่ามีการวางแผนในช่วงที่จะมาขึ้นใหม่ซึ่งพุทธวจนะบทนี้ก็ได้เตือนสติเราว่าไม่ควรกำเนิดถึงสิ่งที่ลวมไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดที่ลวมไปแล้วก็เป็นอันลักไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงตรงนี้ต้องขยายความให้ฟังนิดหนึ่งว่า สิ่งที่ล่วงไปแล้วนี่หมายความว่าอย่างไรจริงๆแล้วพุทธวัจนะบทนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แค่นี้เองแล้วก็หลีกออกไปหายเข้าไปในที่หลีกเลินของพระองค์เองไปทําความสุขในวิหารธรรมคือนั่งสมาธิภิกษุทั้งหลายก็ฟังบทนี้แล้วก็ไม่เข้าใจก็เลยเอาข้อความนี้ไปถามพระมหากัะจานะพระมหากระจานะเนี่ยเป็นภิกษุผู้ฉลาดมาก สามารถขยายอธิบายความพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยบทเพียรชนะที่เรียกว่าเหมาะสมพระพุทธเจ้ายนนเองก็ยังอนุโมทนาแล้วก็ยกย่องพระหมหากจารณ์ในลักษณะผู้ที่มีปัญญามากสามารถกําหนดบทเพียรชนะในการที่จะอธิบายขยายความสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะด้วยพุทธวัจนะได้ซึ่งในเรื่องนี้พระหมหากรารณ์เนี่ยก็ได้อธิบายความหมายว่าคนที่ คำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงคือเขาจะมาคอยนึกคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะชีวิตฉันนะที่ผ่านมานะมันควรจะได้ไปที่นั่นที่นี่เรียนโรงเรียนนั้นเข้าโรงเรียนนี้ทางานที่นี่ะมีคู่แบบนั้นมีเพื่อนแบบนี้มีความทะเรียกว่าอย่างลงในสิ่งที่ผ่านมาแล้วยึด ถ, ถือโดยความเป็นตัวตนมีข้ออ้างต่างๆนาน า, น า, นาว่าโอ้นี่แหละ เพราะว่าฉันไม่ได้เรียนจบจากที่นี่ฉันจึงไม่สามารถทํางานนี้ได้หรือว่าฉันไม่ได้เรียนสาขานี้ฉันก็ไม่สามารถทํางานนั้นได้เป็นผู้ที่ยึดถือในสิ่งที่เป็นอดีตว่าเป็นของเราว่าขอให้เราเป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นหรือขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคนที่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไง ก็คอยเนี่ยมีแต่ความคาดหวังว่าอนาคตฉันต้องเป็นอย่างนี้มีความยึดถือแต่ฉันต้องเป็นอย่างนั้นมีความยึดถือนะว่าสิ่งนี้เป็นของฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งพวกนี้คืออะไรคือขันทั้งห้านั่นเองพระมหากรารนณะซึ่งต่อมาได้รับการรับรองโดยพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะอธิบายก็จะอธิบายในลักษณะนี้ได้อธิบายถึงเรื่องขันทั้งห้าที่เป็นในอดีตและเป็นในอนาคต บุคคลที่มีความยึดถือในสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยไม่จะมีความยึดถือในอสิ่งขันทั้งห้าว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตฉันต้องเป็นอย่างนี้มีความยึดถือมากฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้พวกนี้จะมีข้ออ้างร้อยแปดประการแล้วก็จะมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาเป็นไปนหมดทีนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งว่า แล้วบุคค <ạo> ล Them, ที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วเป็นยังไงแล้วบุคคลที่ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นยังไง right. คือหมายความว่าเขาไม่มีความยึดถือในสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีความยึดถือว่าเฮ้ยฉันก็จบจากโรงเรียนนี้เป็นคนแบบนี้มีการศึกษาแบบนี้พ่อแม่ฉันเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คืออะไร ไม่ได้ยึดถือว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความคิดที่จะต้องวางแผนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์คือคนที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้คนที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยก็สามารถมีเป้าหมายมีการวางแผนในอนาคตได้หมายความว่าอ่างไง ห ม, มายความว่าคนที่สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วไม่ยึดถือสิ่งที่ผ่านมาโดยความเป็นตัวตนของตนไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีคนที่ยึดถือสิ่งที่ผ่านมาแล้วโดวยความเป็นตัวตนเขาจะไม่กล้าในการที่จะทําสิ่งใหม่มีความยึดถือในสิ่งที่เป็นอดีตว่าอันนี้เป็นกองสันมีข้ออ้างต่างๆนานาว่าฉันทําไม่ได้เพราะฉันเป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ฉันจึงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเขามีความยึดถือในอดีตไงแต่ถ้าคนที่มีการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยจะไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอดีตเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้แล้วก็ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้นะแต่ไม่ยึดถือว่าสิ่งที่ยัมาไม่ถึงเนี่ยว่าเป็นของเราคือตั้งเป้าหมายไว้มีเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่ทุกขถ้าไม่ได้ก็ไม่มีความยึดถือ ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างที่เราคิดเขาก็ไม่เศร้าโศกร่ำไห้คร่ำกรวนไม่ทุบก อ, อกชกตัวไม่เป็นผู้งูน ง, งงงลังเพอแต่ว่าเป็นคนที่ยังมีสติอยู่วางแผนแน่นาก็ต้องวางแผนสิอย่างพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยยังมีการวางแผนว่าเออจะต้องไปเทศโปรดปัญจัวคีแล้วต้องไปหาพระเจ้าปิมพิสาร ล, ลักษณะนี้แล้วก็ไปยังกรุงปราณสีซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้ า, าก็ได้ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าไม่เห็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยโดยความเป็นตัวตนอันนี้มีความแตกต่างกันคนส่วนใหญ่บอกว่าโอ้คำสอนพระเจ้าเหรอโอ้อย่าไปตั้งเป้าหมายในชีวิตนะให้มีความสันโดษถูกต้องแต่ยังเข้าใจผิดอยู่นิดหนึ่งว่าให้มีความสันโดษเนี่ยถูกต้องแล้วสันโดษเนี่ยคือพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่กานึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ ให้ตั้งเป้าด้วยให้มีเป้าหมายในชีวิตไม่งั้นอิทธิบาทสีจะมาลงกันได้อย่างไรทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ขัดกันนอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีอิทธิบาทสีในการที่จะตั้งเป้าหมายความเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะก็ใช้อิทธิบาทสีในการที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์แม้อัครสาวกสาวกที่ชั้นเลิศแปดสิบองค์แรกเนี่ยก็ยังมีอิทธิบาสสีในการที่จะทําให้ได้ความเป็นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าเราต้องมี ต้องตั้งเป้าโดยใช้อิทธิบาทสีแต่อย่ายึดอย่ายึดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเพราะความยึดนั่นแหละเป็นความทุกข์ยึดเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอุปปาทานความยึดมั่นถือมั่นแนะซึ่งเป็นเหตุมาจากตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงตัณหาแปลว่าความอยากเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฟั ง, ฟงรายการนี้อยู่ยมีสติในลใหมหายใจเข้าลหมหายใจออกให้รู้ไว้ด้วยจิตเลยว่า แง่มุมตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตแต่เรียนรู้จากอดีตตั้งเป้าหมายในชีวิตได้โดยไม่ยึดพระบิดาเจ้าใช้บทพยัญชนะว่าไม่ควรคำํำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่สันโดษเนี่ยคือพอใจอยู่ในความเป็นปัจจุบันไ อ, อ้อารม aja ยกตัวอย่ยาง คนที่มีเงินเดือนพอประมาณเป็นคนชนชั้นกลางถามว่าเขามีเป้าหมายในการที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ไหมได้ถ้าเขายินดีพอใจมีความสันโดษในทรัพย์ที่เขามีอยู่เขาสามารถตั้งเป้าอย่างนั้นได้แต่คนที่เป็นทุกข์เป็นยังไงคนที่เป็นคนชนชั้นกลางนะมีเงินพอประมาณแต่อยากรวยนะอยากมีความยึดถือในว่าฉันต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเขาจะมีความทุกขนะ์ในปัจจุบันทันทีเพราะอะไรเขาไปดูเงินในกระเป๋าตัวเองไปดูเงินใน ธนาคารดูบัญชีธนาคารโอ้มีเงินอยู่เท่านี้เองยังไม่เห็นได้ตามที่ต้องการเลยเป็นทุกข์เพราะเขามีความอยากไงมีความอยากมีอุปท า, านความยึดมั่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตแต่คนที่สันโดษเนี่ยก็พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้เจริญอิทธิบาทสี่เขาจะทํางานไปโดยที่ไม่มีความทุกข์จิตใจเขาจะสบายสบายในลักษณะนี้เนี่ยมีปัญหาใดๆมากระทบเนี่ยสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ อย่างเฉียบขาดได้อย่างมีสติได้อย่างจิตที่มีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าคนสันโดษคนสันโดษเนี่ยพระพุทาสอนให้สันโดษเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่เลยเนี่คุณต้องเจริญอิทธิบาทสี 4, คุณต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะเห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยโดยความเป็นคนไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนเป็นยังไงถึงเรียกว่าเห็นปัจจุบันด้วยความไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนก็ อย่า v, ยึดว่าปัจจุบันเป็นของฉันคนที่ยึดว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันเนี่ยก็เรียกว่าง่อนเง่นในทำปัจจุบันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเขายึดถือตัวตนที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันฉันเป็นของฉันอย่างเงนี้ยฉันมาของฉันอย่างเงนี้ยฉันก็ไม่ทำหรือมีข้ออ้างต่างๆะนะนานาในแต่คนที่เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นอ น, นัตตาในปัจจุบันนี ถึงจะเรียกว่าไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในปัจจุบันคนที่เป็นอย่างนี้นะจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตปัจจุบันเขาก็ไม่ยึดถือมีความเป็นสุขอยู่ในภายในตลอดเวลาพระเจ้าจึงให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นในลักษณะนี้ให้เราทั้งหลายเนี่ยจเจริ่นทำนี้ให้มากๆให้ปรุกโผล่ถ้ามากคุณจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนแง่นไม่ค่อนแคลนได้ต้องทําอย่างไง ตรงนี้เราต้องใช้สติฐานทั้งสี่คือมามีสติใช้กายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติใช้กายเนี่ยมาเป็นจุดที่เป็นเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตพระรุจ้เจ้าเนี่ยไม่เคยตรัสไปเลยท่านผู้ฟังไม่เคยตรัสไปเลยว่าให้อยู่กับปัจจุบันคําว่าให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่เคยพูดแต่เคยตรัสไว้ว่าให้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่งอนเงียนนั่นก็หมายความว่าให้มีสติยืนลงหายใจ ให้ใช้กายใช้เวทนาใช้จิตหรือใช้ธรรมะเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติให้ได้คนที่มีสติอย่างนี้เนี่ยแล้วเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นแจ้งทำปัจจุบันโดยความไม่งอนเงี้ยเห็นแจ้งทำปัจจุบันโดยความไม่คลอนแคลนนี่เรียกว่าเป็นคนที่มีสติอยู่ในกายไม่ใช่มีสติในปัจจุบันนะถ้ามีสติในปัจจุบันอาจจะเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้ หรืออาจจะไหลไปตามสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ได้แต่ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเป็นคือมีสติอยู่ในกายแล้วเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าใครมีสติอยู่ในกายเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้นะนั่นนะ่ะเขามีความสันโดษจิตของคนที่สันโดษเนี่ยจะเป็นจิตที่เรียกว่ามีความปกติมีความสุขคนที่มีความสุขจิตของเขาก็จะเป็นสมาธิคนที่จิตเป็นสมาธิก็จะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเรียกว่ามีปัญญา มีปัญญาแบบนี้นะเห็นอะไรมันก็แจ้งแทงตลอดไปหมดจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกจะสามารถคิดวิเคราะห์งานการต่างๆที่ผ่านเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์แบบไหนฉันก็เอาตัวรอดได้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญหมายความว่าไงก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่คืนเดียวก็ยังดีกว่าคนที่มีชีวิตเป็นร้อยร้อยปีทําไมถึงเป็นถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าคนที่มีคืนหนึ่งมีชีวิตยอยู่แค่คืนเดียวหรือขอแค่วันเดียวคืนเดียวในการทําอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นคนที่ทําความเพี่ยนแล้วคนที่ทําความเปลียนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขมากแล้วก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันอดีตเราก็ไม่ยึดถือเป็นของเราอนาคตเราก็ไม่ยึดถือเป็นของเราแต่มีความสุขอยู่ในภายในยิ้มอยู่ได้นิ่งอยู่ได้สบายใจยอยู่ได้นัแล้วก็ เรื่องความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอดพระพุทธเจ้าบอกว่าใครเล่าจะรู้ความตายในยวันพรุ่งนี้เรื่องความตายเนี่ยมันมันไม่แน่และบางคนกินข้าวอย่างพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยฉันข้าวตอนเช้าอาหารไม่ย่อยเพื่อนไปดูตอนสายเอาให้นอนพักนอนพักไปนอนพักมาตอนเย็นหัวค่ำตายเพราะอาหารไม่ย่อยท้องอืดตายคนหนึ่งปิสุอีกรูปหนึ่งเดินไปเดินไปอยู่ในป่าเกิดตะขาบกัดขา นอนไปตอนชัดไม่ลุกเลยตายเพราะพิษของตะขาบเรื่องราวที่ว่าคนที่ตายโดยทีเ่เป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอีกหลายอย่างอย่างโรคร้ายต่างๆในปัจจุบันโรคมะเร็งมีคนต้องหลายคนไม่มีปัจจัยความเสี่ยงเลยอายุก็ยังน้อยในยะี่สิบสามสิบเป็นมะเร็งขั้นสนีะ่อีกไม่กี่เดือนก็ตายก็มีทางทั้นทีน่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าปัจจัยแห่งความตายมีมาก พระพุทธเจ้าบอกว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายทำไมมัจจุราชคือความตายมันมีเสนาใหญ่มากคือมีสมุนเยอะมากอะไรก็เป็นเหตุให้เราตายได้คุณนั่งอยู่ในรถดีๆรถก็ขับด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะขับไปขับไปอยู่บนทางด่วนทุกอย่างปลอดภัยอยู่ดีๆมีรถมาชนตกพังด่วนตายคิดดูแล้วกันอยู่เฉยๆยั ง, ๆยงตายได้ทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิด เหตุ hey, ของความตายมีมากเด็กในช่วงฤดูร้อนเนี่ยกลับไปบ้านนะรูปเด็กเล็กดงเจ็ดแปดขวบไปไว่ายน้ำเล่นกับน้ากับเพื่อนจมน้ำตายก็มีนะไอเรื่องความตายเนี่ยพูดกันมาเยอะมากล่นะต่อให้เราจะปิดห้องล็อกอย่างดีนะแล้วก็รักษาโรคคนที่ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นสี่หรือขั้นห้าก็ยังไม่สามารถล็อกไม่ให้ มัจจุราชมาเอาชีวิตของเราไปได้เพราะว่าความตายความผัดผีนกับความตายเนี่ยไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าย่างนี้ว่าให้เราเนี่ยคอยสังเกตดตูความตายมันไม่แน่มันมาได้ตลอดเวลาไม่แน่เพราะว่ามันสามารถละได้มันสามารถเกิดได้มันสามารถดับได้ถ้าเราสามารถดับความตายได้ก็ต้องดับที่เหตุของการตายนั่นก็คือการเกิดถ้าดับเหตุของการเกิดได้ก็เรียกว่าดับความตายได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยความผัดเพี้ยนกับความตายเนี่ยไม่มีในต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตายไม่น่้อยจะเป็นพระราชามหากษัตริย์มีหมอพยาบาลยารักษาไข้อย่างดีก็ไม่มีความผัดเพี้ยนกับมราชแล้วก็คนที่รู้ข้อมูลนี้เห็นข้อมูลนี้รับทราบข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปกติอยู่ได้เป็นผู้สงบอยู่ได้ เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเพียรและตั้งมั่นอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเปรบเสมือนกับถ้าต่อให้น้ําท่วมโลกทั้งหมดอย่างโลกเราใบนี้เนี่ยมีน้ำสามส่วนมีดินหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้น้ําท่วมโลกทั้งหมดเลยแล้วก็มีคนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปอันหนึ่ง มีรูอยู่รูเดียวแต่ลมเหนือใต้ออกตกก็พัดไปคนละทิศละทางมีอันเดียวเนี่ยนะไปทางเหนือใต้ออกตกแล้วก็ในทะเลผืนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เต่าตัวเนี้ยร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งเดียวนะเต่าตัวนี้อึดมาก จะโผล่ขึ้นหนายใจสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกใบนี้ถามว่าโอกาสเนี่ยจะมากหรือน้อยสันตามภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าหัวกับโอกาสนี้น้อยมากแต่ความน่าจะเป็นนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากต้องใช้เวลาระยะเวลาอย่างยาวยืดยาวนานถึงจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะเต่าตัวนี้จะเอาหัวเนี่ยยื่นเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวถ้าตาดีก็ว่าไปอย่างนี่ตาบอดด้วย นี่แหละคือโอกาสที่คนผ่านคนหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แค่นั้นยังไม่พอยังยากขึ้นเป็นสามเท่าเพราะว่าโอกาสที่การที่จะเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากเป็นเท่าที่หนึ่งเท่าที่สองก็คือการที่มีสัมมาสมัมพุทธะเนี่ยมาบังเกิดขึ้นบโลกยากมากแล้วการที่คําสอนที่สัมมาสมัมพุทธะประกาศไว้แล้วเนี่ยจะรุ่มเรืองไปทั่วโลกนี่ก็ยากอีกเป็นเท่าที่สามทำไมถึงยากเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นธรรมะเครื่องทวนกระแสคิด hmm. ดูพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนั้นในการที่โลกเนี่ยเป็นโลกที่อิ่มเอิบไปด้วยการมคุณทั้งให้คนบอกว่าเออต้องมีต้องมีต้องรวยต้องรวยต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมเครื่องทวนกระแสบอกไม่มีก็ได้เป็นธรรมเครื่องทวนกระแสแต่ธรรมเครื่องทวนกระแสเนี่ยเมื่อมีใครมาอธิบายอยู่แสดงธรรมอยู่ก็ยังมีคนเงี้ยหูฟัง ยังมีคนปฏิบัติตามในโลกที่เป็นไปด้วยกระแสแห่งปัญหานี่เป็นสิ่งที่มหาศ า, า์มากเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่มีรายการธรรมะการที่มีสื่อธรรมะมาประกาศออกเนี่ยให้ทุกคนได้ยินได้ฟังเนี่ยในโลกที่มันแสนจะวุ่นวายมีสิ่งกระทบมากมาเต็มไปด้วยตันหาโอ้โหมันมหาศาจารมากมากๆแล้วหรือเมื่อมันยากที่จะเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยแล้วเราได้พบแล้วทั้งสามอย่างเลยนะทั้ง ถ้าเราจับตัวเราดูเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นคนอยู่ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่นี่ยโอ้โหนี่มันยากมากลและแล้วการที่ได้งได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งยากเป็นสามเท่าในเมื่อยากขนาดนี้ก็ยังได้แล้วเนี่ยยิ่งต้องควรที่จะมารู้มาศึกษาว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บุคคลแบบนี้เป็นอย่างไรอารามาจึงจะต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีศรัทธา ให้ปลูกศรัทธาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปลูกศรัทธาไว้ในสิ่งที่เป็นสมมาสัมพุทธะเพราะว่าบุคคลที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยมันหายากมากคิดดูพระพุทธเจ้ า, า, าของเรานะเป็นผู้ที่ละเอียดลึกซึ้งรอบครอบตั้งแต่เรื่องของศีลเป็นต้นไปนศะีลเล็กศีล น, น้อยเนี่ยทรงบัญญัติไม่หมดศีลของพระเนี่ยที่พระปฏิบัติตามอยู่ทุกๆวันนี้ แง่มุมต่างๆเล็กๆน้อยๆพระเจ้าประกาศไม่หมดตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัติในการที่จะประพฤติปฏิบัติกันยังไงซึ่งกันและกันเอาง่ายๆอย่างเรื่องการพาับผ้าพระเจ้ายังสอนให้พระเนี่ยพับผ้าเนี่ยอ ย, ย่พพยยาพับตรงกลางาเวลาไปบินธบาตก็ให้เดินเข้าไปเป็นระเบียบเรียบร้อยะเป็นลําดับลําดับอธิบายไม่หมดการก้าวย่างการเปิดบาดการดูในบาดการขบฉันอธิบายไว้ทุกขั้นตอนซึ่งตรงเนี้ย เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่คนที่เป็นวิสัยของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถทําได้แล้วก็คุณสมบัติของความที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนอกจากเรื่องศีลแล้วเนี่ยยังต้องมีเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตคิดดูเป็นผู้ที่สามารถจะควบคุมวาระจิตของตัวเองได้ต้องการสะกิดเรื่องนี้ก็คิดได้ไม่ต้องการคิดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคิดได้เป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิต เป็นผู้ที่ฉลาดในวาระจิตของตนและวาราจิตของผู้อื่นรู้หมดเลยสมาธิเข้าขั้นไหนออกขั้นไหนดำรงอยู่อย่างไรเข้าออกดำรงอยู่ฉลาดในเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตยอยู่ตลอดเวลาอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยผู้ฟังรายการอยู่บางทีเราไม่ต้องการคิดเรื่องที่เราไม่ต้องการคิ ด, ม, คคดมันกลับคิดเวลาเราต้องการคิดเรื่องที่ต้องการคิดมันกลับไม่คิดให้เห็นเวลาต้องการจะแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเข้าห้องสอบคิดงานไม่ออก ทำไมมันคิดไม่ออกทางบางที่เราต้องการคิดเวลาที่เราไม่ต้องการคิดเรื่องที่มาทําให้เราไม่สบายใจคิดเรื่องคนนั้นแล้วไม่สบายใจคิดเรื่องนี้ไม่สบายใจไม่ต้องการคิดมันบันกลับคิดอยู่เลยเพราะว่าเราไม่มีอำนาจเนจิตไงแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีคุณสมบัตินี้อยู่นอกจากฉลาดในเรื่องของจิตแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่มีปัญญามีปัญญารู้เห็นแทงตลอดและรู้ในเรื่องของภพชาติต่างๆสวรรค์ นรกสวรรค์พรหมทุกชั้นทุกแบบเขาแต่งตัวกันยังไงกินข้าวแบบไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรชื่ออะไรทําอะไรมาถึงได้มาเป็นอย่างนี้รู้หมดเอามาบอกสอนหมดสวรรค์ต่างๆเป็นอย่างไรนอกจากรู้แล้วเนี่ยยังรู้วิธีในการที่จะหลุดออกจากภพนั้นด้วยรู้วิธีการที่เขาได้มาสู่ภพนี้ยังไงมาเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกมาเป็นยังไงแล้วรู้วิธีที่จะออกจากภกเหล่านั้น ไม่ไปสู่ที่ที่ไม่ต้องมีการเกิดอีกต่อไปก็ยังรู้ได้คนที่มีปัญญาอย่างนี้มีความฉลาดในจิตอย่างนี้มีความรู้เรื่องข้อปฏิบัติของตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันหายากมากหายากจริงๆในเมื่อหายากอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะตั้งมั่นไว้ในธรรมะที่คนแบบนี้เป็นคนสอนเพราะว่าถ้าเราเอามาลองปฏิบัติดูเนี่ยคนที่หนาหน า, นาน มีกิเลสเยอะๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรยังเปลี่ยนเป็นคนดีได้เอายกตัวอย่างองค์กุลีมาเป็นฆาตกรที่เรียกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องในยุคปัจจุบันที่เราพบเห็นกันอย่างมากก็ฆ่าต่อเนื่องแค่สิบเก้าศพยี่สบศพไม่เคยมีใครฆ่าต่อเนื่องมาเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพเหมือนอย่างองคกุลิมานะองค์กุลิมาเนี่ยเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องตัดนิ้วของเขาออกมานี่ แล้มาค้องขอไว99้999ศดยังมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วยังเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนจิตวิญญาณของคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยให้มาเป็นพระอรหันต์ที่สมท า, านการถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตได้และเป็นผู้ที่สงบพงนับนั่งนิ่งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ได้จากการที่เมื่อก่อนเป็นคนที่มีจิตวุ่นวี่วุ่นวายในขณะนั้นเปลี่ยนกายมาเป็นคนที่นั่งนิ่งอยู่ได้ ธรรมะที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมั่นใจเถอว่าของจริงมีอยู่พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงให้มั่นใจให้มั่นใจแล้วให้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้คนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ง่นเง่นในธรรมปัจจุบันไม่มุ่งหวังในสิ่งที่มาไม่ถึง ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่ามีราตรีหนึ่งเจริญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาห้0นาฬิกาถึงห้านาฬิกาสสนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ